ความเข้าใจพลาดข้อที่สองความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าการได้ฌานสี่เป็นบาตรฐานเพียงพอที่จะให้บรรลุวิชาทั้งสหรือรวมไปถึงอภิญญาทั้ง6 ก, กรณีนี้พึงทราบว่าสมาธิในจตุตฌานคือฌานที่4เป็นสมาธิระดับสูงสุดแม้แต่สมาธิในฌานสมบาบัต ท, ที่สูงขึ้นไปคือในอรูปฌานทั้งหลาย ก็จัดเป็นสมาธิในระดับจตุตฌานทั้งสิน้นเพราะอารูปฌานทั้งหลายก็มีองค์ฌานถึงสองอย่างเหมือนกับจตุตฌานคือมีอุเบกขาและเอกกตาและถือได้ว่าจตุตฌานเป็นฌานที่ใช้ประโยชน์ได้สากนเช่นจะใช้เป็นบาทแห่งวิปัสสนาก็ได้เป็นบาทแห่งอภิญญาก็ได้เป็นบาตแห่งนิโรธสมาบัติก็ได้ดังนี้เป็นต้นอย่างไรก็ดี แม้สมาธิในอารมูปฌานจะเป็นสมาธิระดับจะตุตฌานก็จริงแต่ข้อพิเศษก็มีอยู่คือสมาธิในอารมูปฌานประณีตลึกซึง้งห่างไกลจากปัจจนีกระทำคือสิ่งรบกวนมากกว่าสมาธิในจะตุตฌานสามัญและแม้อารูปฌานด้วยกันก็ประนีตกว่ากันยิ่งขึ้นไปตามลำดับขั้นด้วยเหตุนี้จะเห็นได้ว่าผู้ที่ได้จะตุตฌาน แล้วบรรลุอรหัตผลท่านยังไม่เรียกว่าเป็นอุปโตภาควิมุตยังเป็นแต่เพียงปัญญาวิมุตต่อเมื่อได้อรรุปาชาสักขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วจึงจะเป็นอุปโตภาควิมุตโดยเนยนี้คำของอัตถกาถาที่ว่าใช้จตุตฌานเป็นบาทนั้นจึงยังมีข้อแม้คือในบางกรณีอาจใชสมาธิระดับจตุตฌานสามัญก็ได แต่ในบางกรณีต้องใช้สมาธิระดับจตุตฌานที่ประณีตขึ้นถึงขั้นอรูปฌานที่เหนือขึ้นไปดังได้แสดงหลักฐานให้เห็นแล้วว่าพระปัญญาบิมุตตามความหมายที่เคร่งครัดหรือโดยนิ ป, ปรยายเป็นผู้ได้แต่อาสวัขยญาณอย่างเดียวไม่ได้วิชาหรืออภิญญาอื่นๆและไม่ได้แม้แต่อรูปสมาบัติดังนั้นการได้วิชาครบสหรืออภิญญาครบ6 จึงเป็นวิสัยของพระอุปโตภาคามิมุตซึ่งได้ฌานสมาบัติถึงขั้นอรูปแล้วแต่ก็พึงระลึกไว้ด้วยว่าพระอุปโตภาควิมุตที่ไม่ได้วิชาครบสามไม่ได้อภิญญาครบ6คือไม่ได้โลกิยะวิชาไม่ได้โลกิยะอภิญญาก็มีอาศัยข้อความจากบาลีเช่นนี้เป็นฐานอัทธกถาได้อธิบายวิธีการเจริญอภิญญาอย่างพิสดารซึ่งพอสรุปได้ความว่า เบื้องแรกเมื่อเจริญสมถะจนได้ฌานสี่แล้วให้เจริญต่อไปอีกจนได้สมาบัติครบ8แต่จำกัดว่าต้องเป็นสมาบัติที่ได้ในกะสินแปดคือยกเว้นอาโลก ะ, กะสินและอากาสะกะสินนั่นก็คือยกเว้นกะสินคือแสงสว่างกับกสินคือช่องว่างในปร ม, าามัตตมัญจุสาแสดงเหตุผลว่าไม่ใช้อากาสะกะสินหรือกสินคือช่องว่าง เพราะทำอารูปสมาบัติไม่ได้ส่วนอารลก ก, กสินคือกสศินคือแสงสว่างนั้นความจริงเหมาะแก่การเจริญที่พระยจักษสุแต่ในที่นี้ท่านว่ารวมเข้าในโอทาตกสินหรือกสินคือสีขาวแล้วจึงไม่ต้องแยกต่างหากเมื่อเจริญสมถะจนได้สมาบัติที่ได้ในกสินแปดังกล่าวครั้นแล้วฝึกสมาบัติทั้งปดนั้นให้คล่องแคล่วโดยทานองต่าง เป็นการเตรียมจิตให้พร้อมพอถึงเวลาใช้งานจริงคือจะทำอภินยาให้เกิดขึ้นก็ดีจะใช้อภินยาแต่ละครั้งก็ดีก็เข้าฌานเพียงแค่จะตัวฌานและน้อมเอาจิตนั้นไปใช้เพื่ออภิญยาตามความต้องการย้ำข้อสรุปว่าในการฝึกเตรียมจิตไว้ต้องใช้สมาบัตแปดแต่ในเวลาทำอภินยาก็เข้าฌานเพียงจะตัวฌานเท่านั้นทั้งนี้เพราะว่า เมื่อเข้าสมาธิถึงจะตุทตชานแล้วจิตซึ่งเคยอบรมมาดีแล้วด้วยสมาบัตแปดพอมีสมาธิถึงระดับจะตุทตชานก็มีความประนีเป็นพิเศษยิ่งกว่าจิตของผู้ได้ลำพังแต่จะตุทตาชานล้ว น, วนเมื่อตัดตอนเอาตรงนี้ท่านจึงกล่าวว่าใช้จะตุทตชานเป็นบาดของอภิญญาตรงกับที่ท่านพูดไว้อีกสำนวนหนึ่งว่าจิตที่พร้อมด้วยองค์แปด โดยการอบรมด้วยสมาธิระดับจตตุจาชาญถึงขั้นอรูปสมาบัติองค์แปดนั้นคือจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีฝ้ามัวปราศจากอุปกิเลสเป็นของนุ่มนวลควรแก่งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจิตที่พร้อมด้วยองค์แปดอย่างนี้เป็นของเหมาะแก่การน้อมเอาไปใช้จึงเป็นบาท คือเป็นปัจจุฐานแห่งการประจักษ์แจ้งด้วยการรู้จำเพาะซึ่งอภิญญาสัจจิการณียธรรมทั้งหลายอย่างไรก็ดีมีข้อยกเว้นว่าสำหรับท่านผู้มีบุพโยคะคือมีความเพียรที่ทำมาแต่ปางก่อนเป็นพื้นอุปนิสัยหรือมีความเพียรเป็นทุนเดิมแรงกล้าแล้วเช่นพระพุทธเจ้าพระปเจก พ, พ, พุทธเจ้าและพระอัครสาวกเป็นต้นท่านเหล่านี้ ไม่ต้องฝึกฝนครบกระบวนวิธีตามลำดับก็ได้และสร้างความชำนาญเพียงในจตุธาชานล้ว น, นก็เพียงพอที่จะทําอภิญญาให้เกิดได้ไม่จําเป็นต้องสร้างความชำนาญในอารมณสมาบัติในกรณีของพระพุทธเจ้าแม้ไม่อ้างบุพโยคะหรือบุพเพเหตุอย่างอธถขถาว่าก็เห็นได้ชัดว่าสำนวนแบบสองอย่างที่ยกมาอ้างข้างต้นสอดคล้องกันและกลมกลืนกับหลักที่ได้แสดงมานี้ กล่าวคือสำนวนแบบที่หนึ่งแสดงว่าในคืนวันตรัสรู้คือในตอนใช้การพระพุทธเจ้าทรงเข้าฌานถึงจัตุตฌานแล้วทรงน้อมจิตมุ่งไปใช้เพื่อให้เกิดวิชาสามทีละอย่างแต่ในเวลาก่อนหน้านั้นพระองค์ได้ทรงอบรมพระทัยของพระองค์เป็นพื้นฐานไว้ด้วยสมถะอย่างดีแล้วคือทรงได้สมาบัติครบ8ตั้งแต่ทรงอยู่ในสำนักของอาลาระดาบท กาลามโครและอุทธกัดาบทรามุตทและตามสำนวนแบบที่สองก็แสดงว่าพระองค์ได้ทรงฝึกปรือความจำนานในสมาบัติทั้งหลายมาโดยตลอดตามลำดับ